ว่ากิเลสกิเลสย่อกิเลสจังได้อันเจ้าของคิดอยู่ให้ลรากิเลสอันเจ้าของติดอยู่นั่นนั่ ง, งของกิเลสอยู่ให้เด็กคนอย่างว่าเอาคี้เป็ดตะลางขิ้ไท่เอาคิดไก่ตะลางขี้เป็ดมันมาแล้จากเท้าตัดมือของนีนผมไม่ตัดมือได้แค่เด็เอาทิ้งห่องเคยใส้เคยจ่าเอาทิ้งห่องเคยพูดเคยเล่าเอาทิ้งนี่ ของที่ดีอยู่แล้วมันบนทันประโยชน์อย่างคุณค่ามันมีน้อยอที่เลิอกอันนี้แล้วก็เลยตัดต้นลม ต, ตัดมีอตัวเองเป็นกิเลสกันหามันยากมันยากคิดถึงผู้ประทานมือนมันคิดถึงตามจนมันจะคิดถึงว่าอาดีตอนาคตช่วยของเราได้ทางนดผมยังวายฝังแย่เอาอดีตไปไล่ไกลกันแย่เอาอนาคตไปไล่ไกลกัน ฮดีอนาคตกับปัจจุบันให้มันยู่งใกล้ๆกันนี่นะขันถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันเขาแล้วมันก็เป็นอันเดียวมันมาลงอันนี้มันยุ่ไกลกันมันก็เลยโมติอันเดียวมันยากเถื่อเนเอาโบเข้าใจเลยนะพอดีเห็นอันนี้เราคลายคลายตัวสิวใส่ความสมมุดอันนั้ขาดตัดตรงที่แหละขันถ้าเจว่าทางมันสว่างมุดตึ๊บมันจะกระ่าทางมุกไป ใครขาดเสริญนุเตับทำไปกดไม่ี่เส้นฟ้าเนี่ยว่างตัวขึ้นมาลบเ็ดสั่งสั่งหรือเปียบว่าคือสำมีแห้งน้ำนี่นี่เขาได้กระโบนีน้ำผมเปียบหลายอย่างนี่คือส้วนใหนร้อน ม, มัดส้นนั้นมัดส้นี้ดึงทางเพีนะตัดตรงกลางค่าตั้ดึงโบ่์โบสถผอันนั้นผมเปียบไปแล้วก็อีกบทนี้มีท้าบาของ ตามปกติมีท่าหอกวันเนื้อคนเอาเลือดหนองอพกบาดนี้อันตัดเข้าทุกสภาพเลยเหมือนนิผมกำลังยางอยู่ตัวผมมีเบาขึ้นไปเลยอย่างว่าบนไม่ดีอกดีใจอย่างใดมันเป็นอารมณ์ที่เด็กดูศาสนาแบบของเหตุกาเมื่อกี้เป็นไปตามขั้นตอนมางสิ่งสิเห็นย่างอื่นไปบุบบุบย่างผุดวานนิดเดียวอันนี้เป็นอารมณ์ที่นํามาเราให้สัง แล้วก็มาแยกแยะให้ฟังพวกเราจะบ่กเข้าใจถ้าพวกเราบ่กเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติมันก็บ่กเข้าเรื่องเข้าเรามันก็บ่กเข้าหลอกได้เขา ม, ขมันเป็นอย่างนันอันนี้จึว่าพยานราม ท, าที่แท้หอดีมันจืดมดแล้วก็คลายคลายคือดักแด้ตัดคาดแล้วดึกดักแด้ห่อไปให้ด ขจะเอาต้มเอต้มแล้วเขาจะไปซาเอาในเอาเอาเอาไม้มตัวนั้นสุดด้านในมันเป็นอรมาเขา้าก้อมันเป็นอะไรเป็นอะไรตอนเตารวมสุขประเทศนี้เืินซื้อบัได้รูจักหมื่นล้านแสนล้านกับซือบัวดให้ผู้อื่นทำแทนกับบัได้ถ้าทำผิดมาแต่ต้นแล้ว การปฏิบัติธรรมะของพวกเขาเมันอิบนที่6หน้าถ้าหากทำเราทำผู้มาเป็นต้นเราการปฏิบัติธรรมะของเขามั่อวันทีหน้ามันจะเอาทันที่อยางทวารให้สั่งให้พวกเขาทำตกลงบึงมวันที่9น้าหรือเมื่อวันทน้าผพว่ามอวันทน้าเพราะพระพุทธเจ้าเพิ่งตัดไวหลายย่างเนี่ยับทั้งหลายคือเราะถาพตเนี่ยพอแหล จะหาว่าผมลอาลิ้นบรือพวกเรา่องลอยลิ้นเนี่ยัดทั้งลายนวลเราตัดท่าโคตเหมือนกันทัดทั้งลายเป็นตถาคตเนี่ยเป็นได้เหมือนกันแต่โบได้เป็นพระพุทธเจ้าพญาวาคุธานุคุถังสามะสีระทิถึงผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีสิ่งและทิฐิเสมือต้นพญาวามีสิ่งมีทิฏฐิมีความเห็นคือกันกับพระพุทธเจ้าพญาวาจังใจ จึงหวาของตั้งใจปฏิบัติเพอที่ซีนิพนวากับตังลายเราผู้เป็นตถาคตถึงแรงแห่งนั้ น, น, น, น, นแล้วจะนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี่ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตถาคตนี่ต้องรู้ต้องเห็นต้องเป็นต้องมีเบือนกันกันกบกองค์ทีเจ้า คือว่าเอาพยายามทำไปจังติต้นเอาไป็ต้นต้นที่แหละให้ไปตามขั้นตอนไปอย่างที่พระพุทธเจ้าตรานั้นถ้าห้าเขาบววเทศจังตีเขาบกแก้ตวนีรีสก่อนเดียวต่ ย, ยาปฏิบัติธรรมะที่บก้าวหน้าการปฏิบัติธรรมะข้าวหน้าคนวันมันต้องไปจิตต้นไปทายคือหอนปลูกต้นไม้นี่แหละออาให้ปุย ให้นาน ม, มันก็ญนามไรขเขาเอาหดแด่บุหกแ ด, ด่บุให้ปุ๋ยมันแด่มักัญนานขึ้ น, นเป็นแบบนี้ดูจิตเปียกทางอีกตัวนึงเอาเดินไปเชื่อเดียวเนี่กับบุหุจักแล้วขามันเป็นหลักเป็นต่อเป็นบอ่อเป็นเหวเป็นต้นเป็นเลียอยู่ทีกตัวหนึ่งกับบุหุจักเป็นแบบนี้เขาเที่ยวไปลายเที่ยวไปหลุมหุจักนี่ พิดมาร้อยวันพันปีหากบุรู้จักสภาพภาวะอาการเกิดดับตัวมันดับตึ๊ดนั่นทิตขอกุ้งขันเป็นมาผู้บุคคลเกิดมามือเดียววันเดียวเนี่ยรู้เห็นอันนี้แล้วเข้าใจอันนี้แล้วทิฏขอกุ้งขันคามาคนเกิดมามือเดียวมันจะทิฏขี ง, งตีนตัวได้ยังไงแก่เมื่อจะหอบฟังผมเล่าอยู่โดยดีนี่แล้ว จำได้แล้วก็นําไปแก้ไขอันนี้เราเกิดมาเมื่อเดียวบวชมาร้อยวันพันปีประจันตังก็คุ้มาล้ว 1000, 3, 4, 3, you, ium, ล uh. yes. umm. ่าสุดก็มีดบมหาเนี่ยนี่นะรู้จากสภาพท่าว่าอาการเกิอดับตัวนี้การบวชเพกาะว่าเป็นหมันอันนี้ส่งผลเป็นหมันบวได้บุญจะน้อยมันเป็นหมันเป็นมุขดี๋ยได้ยื้ออันอื่นได้หาว่าได้บุญส่วนนี้บุญส่วนนี้บอกบวได ซู่ผู้วัดแบมือเดียวหนึ่งแหะเลยรู้จักสภาพภาวะอันนี้แหละอาการคืนกับอันนี้ชีวิตของวมหนึค่ามีราคามากกว่าเราต้องทําชีวิตของเราให้มีค้ามีราคามากให้มีกนนําไรชีวิตให้เราเต็มไปทั้งไปสอนพูดเรื่นกับกําไรชีวิตของเราสอนได้สองคนกับกําไรชีวิตของเราสอนได้จากร้อยคนพันคนกับกําไรชีวิตของเราอันนี้เพื่เอืกําไรชีวิต บนเงี้ยกำไรคือเอาไปอันนี้ไปขายอันนี้บนเมี้เนี่อันพ่อผู้ยึดยึดคนทุกตะย่า ง, ง, าง ค, คือเอาคนไปนั้นคนว่อาอย่างไรทำหนะอันที่ผมได้อยู่เดี๋ยวนี้บนเงี้ของผูใ้ใดทั้งหมดเป็นสากลเป็นของทุกคนบนเง่้ยเป็นของาศาสนาพุทธบนเงีเป็นของาศาสนาพาหมณ์บนเงี้เป็นของาศาสนาคริสบนเง่้ยของคนไทยบนเง่้ยของคนจีน บนญแมนของคนบุญแม่ของคนขวาร่างบุญแม่ของคนบุมีของคนอังกฤษบุม่ของคนอันนี้ได้ป่าบุญแมีของคนอียปุตนไต้หวันมียังเป็นของผู้หูหูแล้วจะสงวนเรื่ข้อศิบได้หูแล้วทำลายโบได้อันเพราะมันเป็นยงสั้นอยู่เดีถ้าเขาทำพูกตอหลังหูเลยสงวนเรื่อข้อิษย์ยังหูนะเจ้าบได้หูแล้วทาลายก็ตายก็เขบได้ ื่อมันเป็นไตามหน้าที่ออกมนที่ผมนำมารให้สันงเพราะวเขาในในก็าว่ากันแล้วว่าจีพยายามพิดทันให้ออกปฏิบัิครูเป็นอาจารย์ของคนสอนคนให้มันเป็นนี้ผมจึงพยายามปรับปรุงพวกเขาให้รู้จักจริงๆถ้าหากบ้จักจริงๆแล้วมันคิบบดีทุกคนต้องเปลี้ยนได้ทีเดียว เเขาตัดมือเขากดก้อนมือยักเพ็รกูบเพชมือยักทานกูบทนมือยักเบากูบเาเห็นกิเลอันนี้ทิกิเลึเป็นยางเหนียวคือยางมะมีของวานเาวันมันติดยางมะมีนยางมะขนมเอาน้มันมาใสล้วมันก็ลื่นออกพุกกะตุงก้อนออกไปลอันนี้ก็คือการเขาตัดทิ้งแล้วเอามาติดตึกรบมีแล้วเาทิ้งเลเดันเป็น แล้วมันจะคิดถึงได้น่ะทีดเรื่อปัญหาถ้าคิดเร่อมันกลับไปแล้วมันมัมีแล้วมาไปคิ้งเลยดิเพราะว่าเอายาบามีมันยาบางคำหนึ่งนะเอาน้ำมันล้างเอาเลยดิมันตกออกจากมือออไปเลยดิแล้วมันคิดคิดอยากไปจับมาอีกเพิได้แบบเนี่ยปัญหามันัอยากอย่าไปจับเอาไปทิ้งเอยาะว่าอยมีอุปกรณ์เครื่องใช้มากผู้ที่ปฏิบัติธรรมบุญเครื่องมา มีพระเจริพื้นนุ่สังคาพื้นนุ่พระบงสองพื้นผราอาสะสองพื้นพอใส่แหละมากกว่าขัา้นกว่าถือปิ่นกิเลสแล้วถ้าเะบงสองพื้นให้ยางเตยมนถ่งพืนนี้อาบน้ำพื้นนั้นมันเอาอาบน้ำแล้วก็มาถัดเตียนกันพ้าอาสาพื้นนี้เอาเออกไปซักพืนหน้ากับออกเปี หัดเปิ่นกันทุกมือทุกมือซักทุกมือแล้วก็บวมมืบวซักทาอังศาซักซูมือท่าสมบงซักซูมือเจ็ดาจีวรแถปกเอามาห่มมู้ขึ้นมาหะมูนี้นาาน ร, รู้จักร็อกใส่ท่าจีวรัดห่มสบายแลยก็แล้วไปใส่กระบอกอยู่เครื่องหลาย่โบได้ซอกหะว่ายาเจ็บแค้นเจค่ะอยาอนนอกยารนั่งกูพิเศษแน่เลยวะนี่ มันไม่ได้ซอกหา่าอันนั้นมันซอกหา่าอันนั้นอันนี้มันติดอย่างกิเล่มันมีอยู่เด้ถ้าหากเขาเก็บพิ้งฝาแล้วมันก็แล้วแต่การช่วยเหอกันดูผู้อื่นที่มาช่วยหอกันถ้าหากให้คนอื่นมาช่วยเหาก็โบได้ผลแล้วของให้ผู้อื่นมาคอยอยู่เด้ พวก อ, วอื่นโบสายเบาสายเตือนอยู่กับรถเรืองแต่งยาเป็นคนมากเยืยให้เอาไปฝังไว้ในมันสมองคุณคิดผมเบาผมหวานนี่นถ้าหักจำได้แล้วเอาไปฝังไว้ในสมองมั้บ้าผมว่าปฏิบัติดีเลยนี่แหละนิพพานบอนนีตายแล้วจึงไปนิพพานนี่นิพพานคือมันเข้าสุขภาพของมันซือนี้งเลย ว่ามีเรื่องเนี่ยห้องทุกอ่จากดีผ่านนี่นี่แหละควมสงบดุดแล้วขวมสงบแบบนี้โม่ต้องไปศึกษากับตำหนักตำราอันใดมากเนาะเพราะขอจริงมันอยู่ที่ขององค์สุดสำเร็จสำเร็จแล้วอันว่าสำเร็จเนี่ยมั น, ม, นมันคือเป็นของง่ายเลยนี่พวแม่นง่ายเหลือมันจบสิ้นกัน เพราะว่าดึงโบออกคล้ายๆคือหอยหอยนี่เมันไตใตกกิบก่บัต น, นี้เขาแบบต้มแต่มันเข้าไปในปองหมดบัตรนี่เขาจิตตเอามากินเขาต้สมสุกเลยเ อ, เอามาันตีบเนอออกมากระเบิด อ, บออกมาเกออกัาเนื้อโตกระเบิดออกมาเกิัเพราะมันขาดดึงมันขาดคือเสื้อในล่อนดึงแล้วบถึงกันแลที่นี้ประโยชน์มันจะของสิ่งสำคัญ มันเป็นของตัวของลายของปุกๆที่สุดยางโอ้เพียงบ่งผมงฟิสซูซีเนี่ยทำไมมาเป็นนักอืบนครับยื่นรับมว่าทาอีกหมอนหอบาเขาเจ้าหาว่าผมผมพระพุทธเจ้าบุษย์เป็นผู้มิเนตตาเด้งวาพระพุทธเจ้ามีเท็นิ่ดคนไกล5าคนตั้งหากเลยขาเจ้าบุให้จักโอ้ขุาอาจารย์ขุมวาหนูว่าในว่าแม่นนี่ยมันจ โดยมิค้านคนอันอออไไเอกค้อนไปตีอะไรเงี้ยข้าความเป็นขนให้มันตายไปซะให้มันเรือจะควมเป็นพระอริยบคุคคลนี้จะสื่อเลยขันความเป็นพระอริย บ, บุคคลกับพระธรรมแล้วบแบบนั้นแต่ย่งงี้กับพระธรรมไปด้วยทําการกับพระธรรมไปทำ พูดก็พอถำไปพูดนึ่งคิดก็พอทำไปคิดนึ่งให้ว่าภาคธรรมยูทุกเม็ดหินไม่ดไตเขายืนยุ่งใส่กับยืนันย์แล้วพอทำถ้าหากผู้ได้เห็นธรรมะแล้วได้มีเพินอย่างว่าไว้ในพระพุทธเจ้าผู้ใดที่ปูสาพระพุทธเจ้าหรือพ้อตถาคตหีือเขาดอกดอกไม้ทุกเทียนของหอนทั้งหลายจะหนาแน่นตั้งแต่พื้นดินที่ประกานซ่าง คือว่าโ บ, ดบาาได้บูชาพระพุทธเจ้าคนห่งผู้ใดบูชาพระพุทธเจ้าคือประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมสมควนแก่ธรรมคือว่ากูฮั่นได้บูชาพระพุทธเจ้าอย่างยิ่ ง, ขงเาขาเล่าเป็ี่นสื่อนี้เขาเบ่เห็นธาตุธรรมนี่เขาบืารร่เห็นพระพุทธเจ้านี่นี่เนี่ยจึงพระพุทธเจ้าจังว่าพุทธะธโลกะธรรมเมหิง จิต ต, ตัรรงยัตตนกกปฏิอสกังยัะสังเทมังเอตามังคลมุตตามังสุดจิต ส, อ, สอยานี้เป็นมงคลอันสูงสุดสนมนนษยได้เทวดาผู้ด่างทำแล้วมีแล้วให้เกิดให้มีแล้วไปใส่มาใสโดยไม่เป็นทุกข์วันนี้พุทธสโลกธรรมร ม, มีจิตตัง จิตของผู้ใดตั้งมั่นย่างดีไม่วันไหวเป็นว่าก็าอารมณ์โลกธรรม ท, ทั้งหลายคือว่าเขามายอง เ, าาเาขามาทำเขาเบวันไหวพราะเขาตั้งอยู่ในสภาพอาการเกิดดับตัวนี้นี่เป็นว่านั่นแหละคือจิตใจของพระพุทธเจ้าว่าแต่จะห้เขาได้เป็พระพุทธเจ้าได้หรือแบบนี้ พุทธทโะโลกธรรมจิตันนะทุกท่านพุทธโลกธรรมจิตตันญสันสัญคิปผู้ไดตั้งมัง่นิปผู้ไดนั้ น, นันนี้่แม่มม อ, อโศกกลางจิตบ่เศ้าโศกจิตบ่ขุนมัวจิตบ่เศ้าหมองมันกำเนย่ ง, ยงสันอันนั่นก็คือจิตใจของพระพุทธเจ้าสันปวิรัชังวันนี วิรักจังวัดเป็นจิตไรสุรีจิตโดยมีขยะเจือปลคล้ายๆขุยหงกระเห็ดน้ำว่าน้ำคุณนาบกคุนคิดตรงที่เดนมืนคิดซื้อเห็ดนาคุณจิตไรสุรีเป็นอะเนาะอันนั้นก็คือจิตใจของพระรพุทธเจ้าเอเถมงังเป็นจิตปตเเกเกมเพาะอนอุเบกขาจิตพลุกจิตบนพก อันนั้นเป็นเงื่คิดใจของพรเจ้าตอนนีอยู่ในเฮานี่นับทุกคนทุนหัวแต่เฮาไม่ได้สนใจอย่างสัน้นจริงเขาไปสนใจจงแต่เรื่องพิ ธ, ธีสวดมงคนเอาได้ใส่สิ่งไว้อย่างนั้นจับไว้อย่างนี้นั่งพระเพียบอย่างนั้นจับเอาน้ํามนต์ให้จำสัน้นพรมน้ํามนต์ให้อย่างของเานาติใจอย่างสันเขาเลยไม่ได้สนใจของจริงเมื่าสนใจของจริงแล้วเขาจะได้รู้ของจริงจริง แล้วบัดนี้ขา้าทุทธิ์แย่งผมววานีมาเพราะตำลาวาไว้ไหมผู้ที่จเจริญสตรีประธานที่ย่างนานเจ็ดปีว ย, ย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างไวที่สุดนับแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันคันให้กิจต่อกันเหมือนลูกโซ่มีอา น, นีทรงสองประการถันวาหนึ่เป็นเพราหัน หากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดพระอนาคามีแต่เขาบาุญจักมาวาวปินเล้วิที น, นี้ผมกล้ายืนยันรับรองเลยว่าเมือเกินสามปีองอฝึกเป็นจากสามปีลงบึกมันจิได้ไปริงรูสอนทดลองบึกเด็กน้อยอายุเก้าปีไปถึงสิบสามปีผมฝึกมาแล้วโบน่ะเพราะเขาบบ่มีอารมณ์บ่มีอดีตบ่มีอนาคต ให้หนูรู้อยู่กับปัจจุบันเนื้อแต่เธอต้องทำปัจจุบันเนะือมันเป็นยังไงลูกมันกันงวลพวกเขาพแกแเหานี้บิดเบี้ยการคิดหาลูกคิดหาหลานคิดหาอันนั้นคิดหาอนันนี้คิดหาการอยู่า ก, ายการกินเลียลเล้ยงลูกเลี้ยงหลานเด็กมันก็เป็นอดีตอนาคตด้จันจึงว่าให้หางมุดจากว่าอดีตอนาคตอยู่ได้เข็งอาวะเต็นอวศาสตร์แล้วศาสตร์นาพู เขาบูชาตัวกิเลสนี่นี้กิเลสตัณหาอุปทานสามอันนี้แหละเป็นอดีตอนาคตจําให้มันดีครับอันนี้กิเลสเขาอยู่กับกิเลสมันเป็นปัจจุบันตัณหามันเป็นอดีตอนาคตไปอุปทานมันเป็นอดีตอนาคตไปเอาอดีตอนาคตกับปัจจุบันไว้ใกล้ๆกันเนี่ยโอ้ ตัดมือกูนี่แล้วมันดีเด้นี่นี่แหละเราจะเห็นของจริงขึ้นมาให้เขาหูจักของจริงจริงจริงข้าห้าเขารููจักของจริงจริงจริงแล้วไปสอดมันจีงายากถ้าห้าครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาเนนแม่ข่าวแม่ดำฟังอย่วาวอยู่นี้เลาวจำได้แต่ปฏิบัติแล้วอไปสอดระบบหักทิศ ทำให้คํำสองของพระพุทธเจ้านี้จเจริญมั่นคงนเลยนี่แหละคือนิพพานนิพพานคือมันเข้าสุขภาพเดิมมันคือยังกินข้าวได้เขาก็เคยได้ยินเรีพระพุทธเจ้ า, า, จาตัดสรลูแล้วไปโปดพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าอย่างาจองที่เขาก็คยได้อยู่นี้แต่หหับูฮู้จักสแสดงต่อพระนิสสากันนิสส า, น, านี้ไม่มีเคลื่อนหลายคนครับไล่คนหูคนหนึ่ง เอาแหละที่ผมได้มองให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตส ก, กิจใจตอนเทาวันนี้ก็อเป็นวาสุขโอกีอลาเล็งท้ายที่สุดนี้ผมและพระสงฆ์เนนญาจโนแม่ขาวแม่ดำมาน่าความธรรมะยุนัสัทธะเทนี้ผมขออ้างอิงอาอคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำตังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม พ, พุทเจ้า และคุณของพระตาสาวกพขาจะมาสม่งเจ้ามาเพือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้ประพฤติธปฏิบัติตามจเจริญรอยตามให้วัดได้ไ ย, ย่างทีพระบุตรตัดเวานั้นว่าตัดทั้งหลายเราพูดป็นตถาคตประึงแรงแหงนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติธปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ เพราะจะรู้จกเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราแต่ทุกวันี้ตั้งรู้ไปแด่แท้เห็นไปแด่แท้ทุกเกาทุกมุมอันเห็นนั่นก็เห็นจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติเนี่ยคันปกติแล้วก็จิตใจคลองใส่แล้วสามารถมองเห็นกิเลสแล้ววัฏฏิอยู่ในตัวนี้จิตใจคลองใส่ ใจิตใจว่องไวแบบ น, นี้ก็สามารถเอาอดีตอนาคตในปัจจุบันได้นี่มองเห็นอะไรด้วยอย่างตับจริง ใ, ใจลงไปบูชาผิดแม่เป็นว า, าจาจให้เขาเอาจริงเอาจังกันขอให้ทุกคนทุกคนจงได้ประสบพบจริง เ, เอาในระยะเวลาอันใกล้นี้หรือว่าในชีวิตนี้จงทุกทุกคนฮออม่จู <c oughs>